เรื่องของเรื่องคือว่ามานบหนุ่ม30สิบคนเนี่ยก็ชวนกันไปสำเริงสำราญกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ชวนผู้หญิงของต น, นไปไปสนุกสนานกันก็มีคนหนึ่งก็ชวนก็จะเป็นานางคณิ ก, กาไปแล้วก็พอคนเหล่านี่เผลอนางคณิ ก, กาเนี่ย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 ว่าจะเจอคําถามแบบนี้เราก็จะไม่เคยนึกนะเรื่องการแสวงหาตัวเองมาก่อนอาจจะคเคลื่อนไปเรื่องยาปากข้อแล้วพอผู้เจ้าถามอย่างนี้แกก็คนเหล่า น, นี้ก็เลยชะ ง, งักแล้วก็สนใจฟัง่าเออน่าคิดนะผู้เจ้าก็เลยแสดงธรรมแสดงธรรม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 แต่ว่าก็ถือว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยตรัสถามเนี่ยนับว่าทันสมัยมากเลยนะพระเจ้านี่ชวนให้เขากลับมาสแสวงหาตัวเองถามว่าสแสวงหาตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเท่าไหร่นะมันเพิ่งมามีคนพูดถึงกันมากๆกก็ช่วงสมัยใหม่นี่เองนะ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 ค้นหาตัวเองที่สำนัก ง, งาน Google นะ o o เกิลนี่เพื่เราก็รู้จักกันดีนะอกักูหรือว่าโปรแกรมนะที่เขาใช้ค้นหานะ Search Engine เนี่ยตอนนี้ก็ร่ำรวยมากนะเพราะว่าได้รับความนิยมก็ดึงคนได้คนดีๆคนเก่งไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะของ Google คือว่าเขา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 นะไม่ทำตามก็ลูกก็ผิดหวังเสียใจหรือว่าไม่พอใจพอไม่พอใจมากๆเาก็กลายเป็นโกรธโกรธไปก็ลืมตัวนะไอ้ตอนที่ว่าพ่อนะีว่าแม่ก็ไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็เลยว่านะลืมใจเหมือนกันหรือลืมตัวนะบางทีก็ทำอย่างนั้นกับลูกนะก็กลับมาเสียใจมีพ่อคนนึงนะี ลูกนั่งทำกันบ้านอยู่อายุห้าขวบนะลูกทากันบ้านก็คงไปพูดกับลูกแล้วลูกก็ไม่สนใจลูกยังทําต่อบ้งนะหรือว่าอาจจะสอนลูกแล้วลูกก็ยังทําผิดทําพลาดนะเพราะว่าลูกยังเด็กแีก่แค่ห้าขวบนะทำทำเลขคณิตเนี่ยมันก็ผิดผิดพลาดพลาดซ้าแล้วซ้เาเนละ่าพ่อก็โมโหนะฉีกนะฉีกสมุด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 พราว่าอารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะดรวมทั้งความคิดด้วยหรือว่าตอนนี้นี่เรากําลังคิดคิดฟุ้งนะหรือว่าตอนนี้เรากำลังคิดลายคิดชั่วนะตอนนี้เรากำลังคิดอกุศลนะเออเนี่ยแล้วพอรู้ว่าคิดอกุศลแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องรู้แบบเป็นกลางๆนะไม่ใช่พอรู้ตัวเองคิดอกุศลก็รู้สึกแย่กับตัวเองเกลียดตัวเองโมโหตัวเองนะเกลียดตัวเองที่คิดอกุศลหรือว่าโมโหตัวเองที่คิดแบบนั้น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 แสวงหาตัวเองไปแสวงไปเรื่อยๆปรากฏว่าเห็นความจริงของตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไม่ไม่เหลือตัวตนหรือเพราะว่าไม่มีตัวตนอยู่เลยแม้แต่น้อยเหมือนกับเราลอกเปลือกลอกเปลือกลอกกระมาพ้าวไอ้ลอกกบาบ ก, กล้กวยเนะีะลอกไปเรื่อยๆลอกไปเรื่อยๆปรากฏว่าข้างในมันกลวงมันว่างเปล่าการค น, นหาตัวเองเนี่ยในสุดมันก็จะลงเอยตรงที่ว่า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 ที่จะเป็นผู้เป็นอะไรเลยไอการเป็นนั่นเป็นนี่เนี่มันเป็นแค่ชั่วคราวแต่ถ้ายึดเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์นะโอ๋ร้นี่ถ้ามันไม่ไม่เห็นความจริงตรงนี้นะเกิดอะไรกับกายนะใจก็ทุกข์ด้วยเช่นเวลานั่งแบบนี้นั่งอยู่เนี่ยกายปวดกายเมื่อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกไปว่าเนี่ยมีกูปวดกูเมื่อย